บางพวกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโทษรังเกียจเนี่ยนะรังเกียจเรียกว่าอัธยาศาัยของคนที่น้อมออกจากจากโลกเนี่ยนะพวกนี้จะรังเกียจสิ่งเหล่านี้เห็นตั้งแต่โลกหนึ่งถึงโลกสิปเนี่ยเป็นของที่น่ารังเกียจฉะนั้นสําหรับโทษเห็นโทษก็คือเห็นกิเลส ท, ทุกชนิดว่ามีโทษเห็นทุจริตทุกชนิดว่ามีโทษเห็นกรรมที่นําไปสู่พบใหม่มีโทษ การเกิดขึ้นในภพใหม่เนี่ยเป็นโทษด้วยประการชนี้พวกนี้แหละที่เรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นภัยเห็นโทษโดยความเป็นภัยเรียกว่าเห็นว่ามันภัยเนี่แปลว่ามันน่ากลัวเห็นโลกทั้งหมดตั้งแต่โลกหนึ่งถึงโลกสิบปดมันน่ากลัวเห็นอกุศลเห็นกิเลสเห็นกรรมที่นําเกิดในภพใหม่มันน่ากลัวเหมือนอะไรเหมือนเห็นเพชรจะขาดเงือดาบจะฟาดฟันนะ เรียกว่าบางพวกนี้เป็นอย่างนี้สรุปว่าพระพิปัสสีพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนะด้วยทรงรู้ทรงเห็นแทงตลอดอินทรีห้าของสัตว์เหล่านั้นด้วยอาการห้บอันนี้ด้วยอนุภาพของอินตริยาปรโยปริยตยานยามที่กําหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเจ้านี่นะอันนี้พง์ก็ใช้อะไรอินตริยาปรปริยัติยานเนี่ยตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตรวจดูสรรพสัตว์ทางหลายก็เห็นแล้วเปรียบเหมือนอะไรเ ห, นะเหมือนดอกบัวเนี่ยนะเหมือนดอกบัวตรงนี้ยกตัวอย่างบัวสามเหล่าผู้ที่จะตรัสรู้ได้มีอยู่3ประเภทคืออุคติตัญยูวิปัญจิตัญยูและนัยยะบุคคลถ้าพวกปะทะปราม a m รบรรลุชาติหน้าก็แล้วกันอนั้นรอบรรลุอีกหลายๆชาติเรียกว่าพวกปะทะปราม a พวกไหนบรรลุชาตินี้ไม่ได้พวกนั้นเรียกว่าปะทะปราม a ผู้ที่บรรลุชาตินี้เรียกว่าพวกอันนก็เป็น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 ถ้าอย่างไอชาตินี้ก็บรรลุไม่ได้ต่อให้ทรงพระไตรปิฎกก็บรรลุไม่ได้พวกนี้เรียกว่าปร ะ, ะประมะแต่ชาติหน้าบรรลุเร็วกันนะพอามาบองไม่หนักใจรับชาตินี้มับรรลุชาติหน้าก็น่าจะบรรลุเร็วกว่าพวกเลยก็ได้เอาโอเคแล้วใช้ได้แล้วนะอะไรน ะ, อะรนะบอกว่าอุ้ยชาตินี้นะสอ่ออะไรเหมือนกับเข้าเรียนห้องนี้มันตกว่า ง, งั้นแต่แต่ข้าห้องใหม่นะเราได้ที่หนึ่งแน่อะไรคล้ายๆคิดแบบนี้นะแตหวังระยะ ย, ยาวก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะ มันทำยังไงอ่ะมันทำไม่ได้เกือบสอบได้อย่างเงี้ยนะก็แปลว่าสอบตกเลยน้องเรื่องๆนะเกือบสอบได้อย่างเงี้ยอ้าวก็แปลว่าตกเลยดีแล้วที่ตกก็ได้ไม่งั้นไปชมสภาที่ไหนก็ไม่รู้กินเลี้ยงสร้างสรร์อดฟังธรรมเลยอย่างเงี้ดีแล้วที่เกือบสอบได้ไดสวดมนต์ตั้งเยอะได้บวชอีกต่างหาก ท่านบอกว่าพวกอุคติตันยูก็เหมือนบัวที่จะบานได้ในวันนี้นะบัวโผล่พ้นน้าแล้วถ้ารับแสงอาทิตย์ก็บานเลยถ้าพวกวิปัญจิตันยูก็เหมือนกับว่าบัวปริ่มน้ําอ่ะนะจะต้องบรรลุพรุ่งนี้นะนะั่นแหละถ้าหากว่าพวกบัวที่อยู่กลางน้ําพวกนี้ก็เหมือนกับว่าโอ้อีกนานอีกหลายวันจะได้บรรลุส่วนพวกปะ่าปปาะธปรมะพวกนี้ก็ตายฟรีเ่างอนกันเถอะก็เหมือนบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าเสียไปอีกหนึ่งชาตินะ่ะนะ แต่ก็ชาติ ต, อ ต, อ ต, อต่อๆไปนะถ้าศึกษาเอาไว้แล้วชาติต่อๆไปก็บรรลุง่ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สร้างบารมีก็พวกจะช่วยพวกปัททะปารมะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะบอกเอางี้และการรุ่นปัททะปรมะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะมาสู่องค์นี้และกันเดี๋ยวองค์นี้จะสอนให้พวกปัททะปารมะองค์นี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์หน้าจะช่วยพวกปัททะปารมะองค์ข้างหน้าอีกอุ้ยองค์ข้างหน้าต่อไปจะช่วยเนี่ยนะขอให้ได้ศึกษาเถอะโอกาสมันมีอยู่แล้วแหะแต่เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งไห ท่านแบ่งประเภทถึงพวกว่าอุคติตัญยูวิปัญจิตัญยูเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมเพื่ออุคติตัญยูวิปัญจิตันยูในยะบุคคลเพื่อให้เข้าได้บรรลุในชาตินี้ถ้าพวกปะทะประม a ก, ก็เป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยที่จะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ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 พวกที่บรรลุไม่ได้นะมีกันมีกรรมเป็นเครื่องกัน้นมีวิบากเป็นเครื่องกัน้นมีกิเลสเป็นเครื่องกัน้นไม่มีศรัทธาไม่มีความภาพเพียรพยายามไม่มีปัญญาเขาไม่สามารถจะปฏิบัติประชุมอริยมรตมีองค์8ดได้อย่างแน่นอนพวกนี้เลยเรียกว่าพวกอ ภ, ภัสศนะส่วนพวกอวก ภ, ภัสศผู้ที่พอบรรลุได้ก็ไม่มีกรรมเหลา่าใดเป็น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 ภาพทั้งหลายเอาไว้ก่อนไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะอย่างนี้พวกนี้ไม่ได้บรรลุอีแล้วแสดงเพื่อวาสนาอย่างเดียวนะก็เอาพวกพภะ พ, พวกพอจะบรรลุได้มาแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยอํานาจจริญกลุ่มเท่านี้ราคะจริตกลุ่มนี้โทสะจริญกลุ่มนี้โมหะจริญกลุ่มนี้วิตกจริญกลุ่มนี้ศรัทธาจริตกลุ่มนี้พุทธจริต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 ข้าแต่พระองค์ผู้มีเมตตาดีมีปัญญาดีมีจักสุรอบครอบก็ฉันนั้นเหมือนกันนะนก็คือคนที่ยืนอยู่บนภูเขาหรือยืนบนยอดตึกสูงๆเนี่ย น, นะมองได้โดยรอบชันใดหรือพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีมีสมันตะจักสุนะก็คือมีสัพพัญญุตยานมีอนาวารณญาณพระองค์ก็ฉันนั้นให้ขึ้นสู่ปราศาสตอันสําเร็จแล้วด้วยธรรมคือปัญญา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 พระจักสุโดยรอบเนื่องจากพระองค์มีพระสัพพัญยุตยานก็ฉันนั้นขอพระองค์โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมคือปัญญาพระองค์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกพระองค์เองสามารถจะพิจารณาไครโครนตรวจตราดูหมู่ชนผู้เกลือกกลั้วด้วยความโศกผู้ถูกชราและมรณะครอบงามแล้วเปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายกระทําที่ดินผืนใหญ่โดยรอบเชิงภูเขา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 เห็นภูเขาหิมะวันไม่ภูเขาใหญ่ๆโตๆสูงๆถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็นเปรียบเหมือนที่พระองค์ตรัสไปในคาถาธรรมบทว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏณที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะผ่านสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏณที่นี้ถึงจะอยู่ใกล้ๆๆเนี่ยนะก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่เขาซัดไปในเวลากลางคืนนะ เรีว่าคนที่เป็นเคยเป็นหัวหน้าคนใช้งานคนเนี่ยจะรู้บางทีเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะก็เหมือนกับว่ามองไม่เห็นเลยไม่เห็นคนที่พอจะทำสิ่งนั้นได้ ข้าแต่พระองค์ผู้มหาวีระแก้วกล้าผู้มีความเพียรข้าแต่พระองค์ผู้ชนะพระพระองค์ทรงชนะทเท ว, วปุตตมาณม จ, จุมานและกิเลสมานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นหัวหน้านำพวกเพราะพระองค์นำสัตว์ออกจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนันและอุปายาตข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีนี่คือการมฉันทะนิวรอ น, อนนะ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 ช่วยให้เขาได้ตรัสรู้นก็พระองค์ก็รับปากท้าวมหาพรหมก็ดีใจนะว่าพระพุทธเจ้ารับอาราธนาก็กลับไปสู่พรห ม, มโลกส่วนพระพุทธเจ้าจะสอนให้แก่ใครก็คงเป็นพรุ่งนี้กรลกันเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังพระธรรมคำสอน